สิกขาบทที่4ว่าด้วยการไม่ใส่ใจดูแลเพื่อนภิกษุณีเรื่องภิกษุณีทุลนันธา946สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทุลนันธาไม่ดูแลช่วยเหลือสหชีวินีผู้ได้รับความลำบากทั้งไม่ใส่ใจมอบหมายให้ผู้อื่นดูแลช่วยเหลือ